มิใช่ตัณหาอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจชักนำพฤติกรรมของคนและตัณหาไม่ได้จูงใจให้ทำเท่านั้นแต่จูงใจให้ไม่ทำรวมทั้งให้ขี้เกียจ ด, ด้วยแต่ที่ร้ายก็คือไม่ว่าตัณหาจะจูงใจให้ทำหรือไม่ให้ทำก็เปะปะปั่นป่วนไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นจึงต้องพัฒนาคนให้มีแรงจูงใจที่แน่ใจว่าดีแท้ไม่เสียหายเป็นอันว่า